หลักรั์หลักใจไม่อิ่มไม่เลิกราหลวงตากล่าวว่าการช่วยชาติด้วยการเสียสละเงินทองส่วนตนเข้าเป็นสมบัติกลางนี้จริงๆแล้วเป็นการแก้ไขทิปลายเหตุ แต่ก็มีความจำเป็นต้องช่วยกันเพราะคลังหลวงแห่งชาติยังขาดตกบกพร่องอยู่จึงต้องขอให้ชาวไทยเราทุกคนต่างช่วยกันเสียสละมากน้อยไม่สําคัญที่สําคัญต่างช่วยกันอุดหนุนครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนเรารับประทานอาหารไม่อิ่มไม่เลิกราการเสียสละก็เช่นกัน เมื่อมีมากน้อยเท่าไรก็แบ่งมาช่วยหนุนเพื่อชาติเราครั้งแล้วครั้งเล่าการเสียสละก็เช่นกันเมื่อมีมากน้อยเท่าไรก็แบ่งมาช่วยหนุนเพื่อชาติเราครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกันจนกว่าคลังหลวงจะอิ่มใครมีเงินก็ช่วยมีทองคำก็ช่วยเพื่อเอามาเป็นหลักประกันแก่ชาติ รักชาติไทยส่งเสริมสินค้าไทยท่านเน้นเสมอให้มีความรักชาติควรเห็นคุณค่าของสมบัติข้าวของเครื่องใช้ของชาติไทยเราไม่ควรหลงไหลสินค้าจากเมืองนอกอย่างไรเหตุผล ดังคำเทศนาของท่านว่าการอยู่ให้ประหยัดการกินควรกินอะไรกินอย่างประหยัดใช้สอยก็ใช้สอยอย่างประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยเราอย่าไปฟุ่งเฟอเห่เหิมของเมืองนอกเมืองนาเมื่อไม่มีความจำเป็นจงขอให้พากันรักกันสงวนมีอะไรของใช้ของสอยเครื่องอยู่เครื่องกินภายในประเทศไทยเรา ใครสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาให้สนับสนุนกันซื้อของกันและกันมาอยู่มากินมาใช้มาสอยนี่เป็นเนื้อหนังของชาติไทยเราเลี้ยงชาติไทยของเราจะเป็นความเข้มแข็งขึ้นมาในชาติไทยของเราโดยไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นนี่หลักใหญ่สิ่งภายนอกหากมีความจำเป็น เราจะซื้อจะหาตามธรรมดาโลกอยู่ร่วมกันก็ต้องมีการผลัดเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยนเป็นธรรมดาของเขามีของเราไม่มีก็จำเป็นต้องซื้อต้องหาจากเขาเขาก็เหมือนกันกับเรานี่เป็นความจำเป็นใครก็ทราบด้วยกันทุกคนเมื่อจำเป็นอย่างนี้เขากับเราก็ปฏิบัติอย่างเดียวกัน แต่ถ้าไม่จำเป็นเกิดขึ้นจากความฟุ้งเฟ้อเห่เหิมอะไรก็ดีตั้งแต่ของนอกของนอกของเราหาคุณค่าหาราคาไม่ได้คุณค่าราคาไปอยู่กับเมืองนอกเมืองนาเสียหมดอย่างนี้เรียกว่าเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีสง่าราศีภายในตัวของเราเลย ประเทศไทยทั้งชาติก็ไม่มีคุณค่าเพราะคุณค่าไปอยู่กับเมืองนอกเสียทั้งหมดท<ม>่านเน้นจุดสำคัญว่าการแก้ไขที่จะให้ตรงจุดตรงต้นเหตุก็คือการทรงเอามราดกธรรมมรดกของพระพุทธศาสนาเอาศีล ร, รมความประพฤติดีงาม ด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักด้วยเกณฑ์เข้ามาอุดหนุนจิตใจจนมีหลักประกันภายในจิตใจนั่นคือมีหลักใจโดยการหันกลับมาปรับปรุงตัวของเราแต่ละคนละคนให้มีความประหยัดไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ฟุ้งเฟอ้เอเหอ่เหิมการอยู่การกินการใช้การสอยการไปการมาให้มีความประหยัด ให้มีเหตุผลตามอัตตามธรรมรักษาศีลธรรมความประพฤติของตนอย่าทำตัวหลุหล่หลาหลาผุ่มเฟือยท่านให้ดูพระผู้มีหลักเกณฑ์ภายในใจเป็นแบบอย่างเพราะพระเป็นแนวหน้าเป็นแม่แบบแห่งความประหยัดเป็นตัวอย่างแห่งความเรียบง่ายมีเหตุผลมีการระมัดระวังควบคุมจิตใจ ไม่ให้ขนองด้วยราคะตัณหาโลภโมโทสันจนเลยเขตเลยแดนแต่ให้มีธรรมเข้าคอยสกัดลัดกั้นเป็นเบรกห้ามล้อไว้การประเทศสนาช่วยชาติในที่ต่างๆทั่วประเทศท่านจึงเน้นยำ้ำเรื่องหลักใจอยู่เสมออันจะทำให้การอยู่การกินการใช้การสอย การไปการมาของเรามีหลักเกณฑ์เหตุผลมากขึ้นหลักทรัพย์ส่วนตนก็จะแน่นหนามัน่นคงมากขึ้นตามลำดับแล้วก็หันหน้าเข้าช่วยกันอุดหนุนชาติเป็นลำดับลำดาเช่นกันเหมือนกับเรารับประทานหลักทรัพย์ของชาติก็จะแน่นหนามัน่นคงมากขึ้นตามกัน เพราะเหตุแห่งการหันมาแก้ไขที่ต้นเหตุของแต่ละคนนั่นเองการสร้างจิตใจให้เจริญจนมีหลักเกณฑ์แน่นหนาจึงเป็นการแก้ไขต้นเหตุแห่งปัญหาของชาติอย่างแท้จริงท่านกล่าวถึงประโยชน์ของการสามัคคีช่วยชาติครั้งนี้ มีผลดีแก่เด็กลูกหลานดังนี้ความเสียสละเพื่อชาติของตนเป็นเครื่องประดับชาติของไทยเราก็คือสมบัติของเราเองที่นำออกไปประดับแล้วสวยงามไปหมดแล้วนี้ยังจะเป็นเครื่องฝังใจของกุลบุตรสุดท้ายชาวไทยของเราไปตลอดอวสานนะว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กไทยเราพาลูกหลานของตนดำเนินอย่างไรบ้างนี่เป็นคติอันสําคัญเป็นรากฐานอันสําคัญที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของเด็กไทยเราที่กําลังติดตามพ่อแม่มาตามแบบพิมพ์ ม, มาแบบพิมพ์เป็นยังไงคือผู้ใหญ่ของเรานี่เวลานี้กําลังคับขัน ผู้ใหญ่ของชาติไทยเราทุกคนทุกคนตั้งหน้าตั้งตาช่วยเหลือกันเต็มกำลังความสามารถเอาสมบัติของตนแต่ละคนแต่ละคนออกไปเป็นเครื่องประดับให้เป็นสมบัติของโลกสง่างามหมดนี่ผู้ใหญ่ก็เป็นที่ภาคภูมิใจเป็นคติตัวอย่างอันดีงามแกกุลบุตรสุดท้ายภายหลังได้ดีมาก และอันนี้ยังจะฝังใจของเด็กไทยเราไปตลอดนะให้เป็นผู้เข้มแข็งมั่นคงต่อทุกสิ่งทุกอย่างอันใดที่จะเป็นภัยฟัดกันเลยเรียกว่าไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอไม่ล้มเหลวเพราะหัวหน้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กไทยเราเป็นผู้นำด้วยความกล้าหาญชาญชัยทุกสิ่งทุกอย่าง เด็กไทยเราจะเป็นเด็กที่มีความแน่นหนามั่นคงมีหลักใจมีหลักทุกอย่างในประเทศไทยของเราแน่นหนามั่นคงเพราะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้นําสําคัญมากไม่ใช่ว่าเราทํานี้จะเป็นประโยชน์เฉพาะปัจจุบันยังจะเป็นประโยชน์ต่อคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อไปอีกเรียกว่า ชาติไทยเราเป็นชาติที่แข่งด้วยความแน่นหนามั่นคงด้วยความเสียสละด้วยความรักชาติทุกคนถ้าชาติไทยของเราต่างคนต่างมีน้ำใจอย่างที่ว่าให้เป็นอัดเป็นธรรมแล้วชาติไทยของเราจะแน่นหนามั่นคงมีแต่คนดีดีหมดทั้งชาติไทยเรานั่นข้าว่าดีแล้ว ดีทั่วประเทศเลยถ้าเลวก็เลวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงตั้งหน้าตั้งตาให้เป็นหลักเกณฑ์อันดีให้เป็นคนดีมีสง่าแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังซึ่งเป็นลูกไทยของเราสืบทอดต่อไปจากมรดกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มอบให้นี้ด้วยความเสียสละ เพื่อชาติของตนเวลานี้กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อละเอาให้เต็มเหนี่ยวเลยนะอย่าถอยหลังเป็นอันขาดคราวนี้เป็นชาติที่พลีชีพเพื่อชนะความจนให้ได้หลุงตา ท่านชราภาพมากแล้วแต่ท่านยังมีแก่ใจเสียสละได้ด้วยเห็นแก่พี่น้องร่วมชาติท่านจึงยอมฝืนสังขารแบกชาติขันร่างกายไปส่งเคราะห์ตามสถานที่ต่างๆด้วยการแสดงธรรมความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรเพื่อชาติถึงเพียงนี้ของท่านก็ด้วยหวังให้ที่น้องไทยเราทุกคน มีหลักธรรมประจําใจมีความประพฤติดีมีศีลธรรมเป็นหลักยึดมีความมัธยัสอดออมและรู้จักเมตตาเฉลียเพื่อแผลมีน้ําใจรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติดังคํากล่าวของท่านที่ว่า การช่วยชาติคราวนี้เราเห็นประโยชน์ทางด้านจิตใจมากกว่าด้านวัตถุนะเพราะธรรมะจะกระจายออกเรียกว่าทั่วประเทศไทยเพราะมันมีทีวีมีวิทยุพวกเทปและอะไรเรื่อยๆและเทศเราก็เทศไม่หยุดตั้งแต่เทศมานี้เทศไม่หยุดเทศทุกแห่งทุกคนเทศกระจายออกไป มีทุกประเภทของการเทศเทศสูงเทศต่ำก็มีสุดยอดมีมีหมดตามสถานที่ต่างๆถ้ามีพระมามากธรรมะจะสูงหมายถึงพระปฏิบัติถ้าพระทั่วๆไปเราไม่สนใจอะไรเราเทศเน้นหนักทางจิตใจกับธรรมสาระของที่จ้งเกาะของใจคือธรรมเน้นหนักตรงนี้มาก เพราะฉะนั้นจึงว่าการก้าวเดินด้วยวัตถุนี้เป็นเพียงพื้นฐานการก้าวเดินเฉยๆหลักใหญ่เราอยู่กับธรรมเพราะธรรมเกี่ยวข้องกับจิตใจจิตใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากทั้งวัตถุเหล่านี้ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับจิตใจวัตถุช่วยชาติเหล่านี้นะความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะค่อยกระเสื่องขึ้นมา ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปจะรู้ตัวเรื่องประหยัดบ้างการช่วยชาติครั้งนี้จึงเป็นมหามงคลยิ่งมีความหมายที่ละเอียดละออลึกซึ้งมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่พี่น้องชาวไทยและสิ่งนี้ ย่อมเป็นคติตัวอย่างอันดีงามแกกุลบุตรสุดท้ายภายหลังต่อไปอีกนานแสนนาน การเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับอายุสุขภาพการอนุเคราะห์หรือการเกี่ยวข้องกับโลกด้วยการกล่าวถึงภารกิจของท่านในที่นี้จึงเป็นการกล่าวในสมัยที่ท่านมีสุขภาพพอเป็นไปและเป็นระยะที่ท่านยังบิธฑบาทเองได้ สตื่นจากจำวัดแล้วจึงบริหารกายถัดจากนั้นจึงนั่งสมาธิภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งได้เวลารุ่งอรุณรุ่งอรุณพระอุปทาท่าน จะเข้าไปทาหน้าที่ต่างๆภายในกุฏิและบริเวณช่วงเวลานี้ท่านเองจะลงไปเดินจงกรมอยู่ในปา่าเว้นแต่มีธุระอื่นที่ควรจะทำในเวลานี้ท่านก็ไม่ได้เดินจงกรมจนใกล้เวลาจะบินทบาทท่านจึงออกจากทางจงกรมมากราพระประธานและ รูปภูบาอาจารย์ที่ศาลาและออกบินทบาทในหมู่บ้านซึ่งห่างจากวัดหนึ่งกิโลเมตรสมัยที่สุขภาพของท่านเป็นปกติได้บินทบาทร่วมสายกับพระเนนอยู่โดยสม่ำเสมอเพิ่งจะย่นระยะทางลงเหลือเพียงแค่ชายบ้าน สามสี่หลังคาเรือนก็ต่อเมื่อธาตุขันร่างกายท่านเริ่มสุดฉันอาหารไม่ค่อยได้การพักผ่อนหลับนอนไม่เป็นปกติราวปีพุทธศกราช2526นี่เองแต่ไม่ว่าสมัยใดการออกบินทบาทท่านมักไปตามลำพังโดยปล่อยให้พระเนนล่วงหน้าไปก่อน ด้วยเพราะท่านถือเป็นการเดินจงกรมไปด้วยกำหนดพิจารณาไปด้วยพิจารณาเรื่องอัดเรื่องธรรมลึกตื้นหยาบละเอียดของธรรมบทต่างๆแง่ต่างๆนับแต่วันที่ท่านนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกโรงพยาบาลย่านจังหวัดสกลนครต้นปี2541 และประสบอุบัติเหตุทำให้กระดูกต้นแขนขวาแตกท่านจึงมดออกบินทบาทนับแต่นั้นมาฉันจังหันเมื่อฉันเสร็จหากไม่ตรงกับวันหยุดถ้ามีคณะสัทธามาทำบุญ แม้มีจำนวนไม่มากท่านก็เมตตาแสดงธรรมให้ฟังแต่ถ้ามีจำเพาะผู้มาทำบุญอยู่เสมอไม่ค่อยขาดท่านอาจพูดให้ฟังเล็กน้อยแล้วบอกให้กลับสำหรับวันหยุดราชการและวันพระซึ่งคนมามากท่านจะเทศอบรมเป็นประจำแต่ในระยะปัจจุบันนี้ ปี 2,542 ท่านเมตตาเทศอบรมทุกเช้าจากนั้นจึงเข้าที่พักหลังฉันจังหันแล้วท่านมักนำข้าวสารอาหารสดอาหารแห้งปลากระป๋องน้ำปลาน้ำมันพืชขนมไข่ ผ้าขาวและอื่นๆไปแจกจ่ายหมุนเวียนตามโรงพยาบาลต่างๆอยู่เป็นประจำพร้อมกับถามไทยถึงความขาดเขินในวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์หรื อ, อยูบยาต่างๆหากมีความจำเป็นท่านจะเมตตาช่วยเหลือทันทีในบางวันท่านก็เมตตาออกเยี่ยมเยียนพระเนรในสำนัก หรือวัดในถิ่นธุรกันดานที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นกําลังใจพร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆส่งเคราะห์ช่วยเหลืออีกด้วย เวลาที่ท่านไม่ได้รับแขกนี้ท่านใช้ไปในการพักผ่อนบ้างอ่านหนังสือบ้างตอบจดหมายบ้างตามอัธยาศัยแต่ส่วนมากท่านจะเดินตรวจตราไปตามที่อยู่ของพระเนนซึ่งกระจายอยู่ทั่วบริเวณวัดที่มีเนื้อที่163ไร่อยู่เป็นประจำไม่ค่อยขาด จากการตรวจทำให้ท่านหยิบยกสิ่งบกคร่องมาสอนย้ำเตือนเสมอถึงชีวิตความเป็นอยู่การบำเพ็ญภาวนาของพระเนนเพื่อให้มีความขยันมั่นเพียรและยังถือโอกาสนี้กำชับกำชาพระเนนให้ใส่ใจต่อการเลี้ยงดูเรื่องอาหารน้ำและ ระวังรักษาภัยอันตรายให้กับสัตว์ต่างๆที่มาอาศัยอยู่ภายในวัดซึ่งมีจํานวนไม่น้อยอีกด้วยการออกตรวจตรานี้ความที่ห่างขึ้นอยู่กับสุขภาพของท่านหากปกติดีจะมีถึงสามวาระคือเชา้าบ่ายและค่ำ มีบางแห่งที่ท่านเคยจำพรรษาอยู่ถ้าพบพระเนนองคใดขี้เกียจทำความเพียรเอาแต่หลับแต่นอนหรือมั่วสมคุยกันในเรื่องไม่เกี่ยวกับอัตธรรมไม่สมกับท่านรับไว้ศึกษาอบรมด้วยความเมตตาแล้วแม้เวลาดึกดื่นตีสองหรือเช้ามืดตีสี่ท่านก็จะลองออกไปตรวจ ด, ดู หากพบว่าเป็นเช่นนั้นติดต่อกันถึงสามครั้งโดยไม่ยอมแก้ไขปรับปรุงตัวเองรายเช่นนั้นจะถูกขับออกจากวัดในเวลาไม่ช้าเลยด้วยเหตุที่ท่านเมตตาออกสอดส่องนี้เองจึงทำให้พระเนนไม่นิ่งนอนใจอยู่ด้วยความประมาท พากันขวนขวายทำความภาาเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ตัวเองแล้วยังส่งผลไปถึงหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันให้มีความสงบสุขร่มเย็นไปด้วยแม้ระยะหลังนี้ในปีพุทธศักราช2542 ซึ่งท่านมีอายุถึง86ปีแล้วก็ตามแต่การตรวจตราพระเนนก็ยังเป็นสิ่งที่ท่านให้ความเมตตาเอาใจใส่อยู่เสมอมิได้ขาด เริ่มสุดลงนับแต่ปี2526เป็นต้นมาสุขภาพของท่านเริ่มสุดเห็นประจักษ์การออกตรวจเหลือเพียงวาระเดียวส่วนมากมักเป็นช่วงบ่ายที่ว่างจากแขก แม้ปีพุทธศกราช 2,530 ไปแล้วธาตุขานร่างกายท่านจะดีขึ้นก็าตามแต่ความที่มีผู้คนประชาชนพระเนนหลังไหลมากราบนมัสการขอฟังธรรมจากท่านมากขึ้นผิดหูผิดตาความบอบช้ำย่อมเกิดขึ้นอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านจึงต้องการเวลา เยียวยาให้กับาธาตุขันร่างกายมากขึ้นแม้กระนั้นก็ตามความที่เคยกระทำมาเป็นประจำก็ทำให้มีเวลาใดเวลาหนึ่งที่ท่านจะต้องออกเดินตรวจอย่างน้อยวันละครั้งอยู่เสมอบ่ายโมงท่านจะเริ่มรับแขก จะมีพักบ้างเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาปัดกวาดลานวัดและส่งน้ำและเมื่อใกล้ค่ำจึงงดรับหากวันไหนที่ท่านออกไปแจกของตามโรงพยาบาลวันนั้นท่านมักจะกลับมาในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับระยะทางที่ไป6 0โมงเย็น ท่านมักอยู่ภาวนาภายในกุฏิหรือเดินจงกรมในป่าบางครั้งท่านก็ออกตรวจตามที่พักของพระเนนสองทุ่มท่านจะลงจากกุฏิเพื่อมาตรวจของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่จัดเตรียมไว้ในโกดังโรงทานสำหรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลท่านดูว่า มีสิ่งใดขาตกบกคร่องไปหรือไม่หรือมีโรงพยาบาลหรือหน่วยงานใดมาขอรับสิ่งของในวันนั้นบ้างบ่อยครั้งที่ท่านจะสอบถามธุระต่างๆกับพระเวณศาลาและโอกาสพิเศษท่านจะนั่งฉันน้ำป่านะ ในช่วงนี้เองที่ท่านจะเมตตาเล่าเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมแก่พระเนนจากนั้นเมื่อควรแก่การแล้วท่านจึงขึ้นกุฏิเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาต่อไปจนเวลาประมาณห้าทุ่มจึงเข้าจำวัด